ทูดด่วนทั้งคู่เข้าเมืองเสนอพุทธศาสตร์ขณะเมื่อสติกับอินทร์สังมรและพักพวกชนะอารมณ์กับนิวรและพักพวก ศีลกับวินัยและสุจริตสามพร้อมกับตำรวจนครบาลอิริโอตปะและฝ่ายคู่ปรมีทั้งปวงชนะทุจริตสกับหัวจกทั้ง3พร้อมกับพักพวกอันาพานและกำลังฝ่ายสมุทรไทยทุกจุดเกิดความสงบขึ้นทั่วเมืองแล้วคู่ทูตสมถะและวิปัสสนาก็พลันมาถึงทวาร น, นครสติผู้ทวารบาล ก็รับรองเปิดทาวารให้ทูตทั้งคู่เข้ามาเมื่อทูดด่วนทั้งคู่ถามว่าสามีคือเจ้าแห่งนครนี้อยู่ในที่ไหนก็ตอบว่าอยู่หนถนนสีแพร่งกลางนครทูดด่วนทั้งคู่จึงตรงไปสู่ที่อยู่ของนครสามีโดยเร็วแล้วมอบพุทธศาสตร์แก่นครสามีในทันทีนครสามีรับพุทธศาสตร์จากคู่ทูดนั้นมาอ่านในทันใดนั้น ข้อความในพุทธศาสตร์นั้นว่านี้คือยะถาภูตะพ์คือถ้อยคำตามที่เป็นจริงแล้วของตถาคตมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติเป็นทางกลางไม่ข้องเกี่ยวที่สุดโต่งสองทางคือการมาสุขนลิกานุโยกคือความประกอบความสุขสดอยู่ในกามและอัตตกิลมัทานุโยก ความประกอบทรมานตนให้ลำบากอันตถาคตตรัสรู้แล้วว่าเป็นทางทำจักสุทำยานให้เกิดเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพานคือออกจากกิเลสเครื่องเสียบแทงดุดลูกศรที่เสียบใจมัชฌิมาปฏิปทาคือมักคือทางประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐได้แก่ สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมม า, าชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบนี้อริยสัจคือทุกเกิดเป็นทุก แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ความโศกความรัญจวนใจความทุกข์กายคือพยาธิความทุกข์ใจความครับแค้นใจเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์โดยยอด่อสกลกายเป็นที่ยึดถือทั้งห้าเป็นทุกข์นี้อริยสัจ คือสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาความดิ้นรนทยานอยากที่เป็นเหตุให้เกิดอีกเป็นสหายกับนันทิความเพลิดเพลินราคะสิ่งที่ย้อมใจให้ติดให้ยินดีมีความยินดียิ่งยิ่งขึ้นในอารมณ์นั้นๆตัณหานี้คือการมตันหาความอยากดิ้นรนไปในกามภาวะตัณหา ความดิ้นรนไปในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่วิภาวะตันหาความอยากดิ้นรนไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่นี้อริยสัจคือนิโรธความดับทุกข์ได้แก่ความดับความทิ้งความสละความปล่อยความไม่ผัวพันตันหานั่นแลโดยวิราคคือ สำรอกออกหมดไม่มีเหลือนี้อริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่มักมีองค์แปดอันประเสริฐนั่นแลจักสุยานปัญญาวิชาอาโลกะคือความสว่างบังเกิดผุดขึ้นแก่ตถาคตในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยสะดับมาแล้วก่อนว่านี้อริยสัจจะคือทุกข์ ข้อนี้นั้นควรกำหนดรู้ข้อนี้นั้นได้กำหนดรู้แล้วนี้อริยสั จ, จคือทุกขัดสมุทยัยข้อนี้นั้นควรละข้อนี้นั้นละได้แล้วนี้อริยสั จ, จคือทุกขานิโรธข้อ น, น, อ น, า น, านี้นั้น ค, ควรทำให้แจ้งข้อนี้นั้นได้ทำให้แจ้งแล้วนี้อริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงทุกขานิโรธ ข้อนี้นั้นควรปฏิบัติอบรมข้อนี้นั้นได้ปฏิบัติอบรมแล้วแลนครสามีอ่านพุทธศาสตร์แล้วเพ่งพินิษคู่ทูดพระพุทธศาสตร์ได้กล่าวต่อไปว่าตราบใดที่ยานทัศนะคือความรู้ความเห็นตามเป็นจริงมีวนรอบสามีอาการส2องอย่างนี้ในอริยสัจสี่ ยังไม่บริสุทธิ์ดีแก่ะตะถาคตตราบนั้นตาคตก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นอภิสัมพุทธะผู้ตรัสรู้จบอย่างเยี่ยมยอดในโลกพร้อมทั้งเทวดามารพรมในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทพและมนุษย์แต่เมื่อใดญาณทัศนะดังกล่าววิสุทดธดิแล้วแก่ะตะถาคตเมื่อนั้นตาคตจึงปฏิญาณว่าเป็นอภิสัมพุทธะแล้ว ญาณทัศนะบังเกิดผุดขึ้นแก่ตถาคตด้วยว่าวิมุตตคือความผลของตถาคตไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีพบใหม่อีกตั้งแต่บัดนี้ไปครั้นพระพุทธศาสตร์ได้แสดงทางปฏิบัติและความตรัสรู้แห่งองค์พระบรมครูแล้วก็ได้แสดงชี้เข้ามาโดยเฉพาะเจาะจงว่า สรีระกายนี้ถูกสร้างขึ้นให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลายมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบไหลเป็นที่ตั้งลงแห่งชราและมัจจุกลับมานะคือความสำคัญตนและความลบหลู่พึงรู้กายนี้ว่ามีอุปมาด้วยหม้อดินพึงกั้นจิตนี้ซึ่งมีอุปมาด้วยนครพึงรบมาด้วยอาวุธคือปัญญา พึงรักษาความชนะไว้ไม่ติดอยู่ทำสองประการพึงรู้จักโดยลักษณะมีอนิจจลักษณะเป็นต้นด้วยอภิญญาปัญญาที่รู้ยิ่งคือนามและรูปทำสองประการพึงละด้วยอภิญญาคือวิชาความไม่รู้ในสัจจะและภาวะตัณหาความอยากเป็นเหตุให้ยึดเป็นตัวเป็นตน ทำสองประการพึงทำให้แจ้งด้วยอภินญาคือวิชาความรู้ในสัจจะและวิมุตตความหลุดพ้นทำสองประการพึงปฏิบัติอบรมด้วยอภิญญาคือสมถะข้อปฏิบัติเป็นเครื่องสงบใจและอารมณ์ด้วยทำจิตใจให้เป็นสมาธิและวิปัสสนาข้อปฏิบัติทำให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งสำเร็จเป็นอภินญาปัญญาที่รู้ยิ่ง เป็นเหตุให้รู้จักนามและรูปให้ละวิชาและภาวะตัณหาให้ทำให้แจ้งวิชาและวิมุตตและให้ปฏิบัติอบรมสมถะและวิปัสนาให้บริบูรณ์แลจบพุทธศาสตร์เพียงเท่านี้คู่บา ร, รมีได้กํากับจิตของนครสามีอยู่อย่างรอบคอบนครสามีจึงอ่านเข้าใจทราบซึ้งสัจพจน์ทุกถ้อยคาอย่างน่าอัศจรรย์เมื่ออ่านจบแล้ว ได้เพ่งพินิษทูดทั้งคู่คือสมร t และวิปั ส, สนาทีแรกเพ่งดูทีละหนึ่งแล้วจึงเพ่งดูพร้อมกันทั้งคู่น่าประหลาดที่เมื่อเพ่งดูทีละหนึ่งก็เห็นไม่ถนัดนักแต่เมื่อเพ่งดูทั้งคู่จึงมองเห็นได้ถนัดขึ้นทั้งได้มองเห็นทางที่ทูดทั้งคู่นั้นดาเนินเป็นทางพิเศษมีใช่เป็นทางสีแพร่งแห่งจิตตนคร แต่ก็ไม่นอกไปจากทางสี่แพร่งนั้นเมื่อเพ่งพินิจยิ่งขึ้นจึงปรากฏเป็นทางคือมรคมีองค์แปดที่กล่าวถึงในตอนต้นของพุทธศาส์นั่นเองหาใช่ทางอื่นที่ไหนไหม่ครั้นมองเห็นทางมาของทูตทั้งคู่ประจักษ์ชัดแล้วก็เพ่งพินิจที่สมถะมองเห็นจิตที่สงบตั้งมั่นเพ่งลงไปในจิตนั้นก็พบมิปัสนาซ้อนกันอยู่กับสมถะ เพราะเป็นทูตที่คู่กันขณะนั้นสมุทรไทยได้ส่งกองทัพใหญ่สังโยดให้ทำการโจมตีกองทัพใหญ่มากทันทีเพราะเป็นจังหวัด ส, สุดท้ายที่จะขัดขวางทำลายฝ่ายคู่บารมีใจของทุกคนก็เช่นเดียวกับจิตตนครคือมีฝ่ายไม่ดีคอยแต่จะเข้าขับไล่ฝ่ายดีให้พ้นไปการมาบริหารจิตคือการมาศึกษาและอบรมให้ฝ่ายดีเข้มแข็ง จนสามารถจะเอาชนะฝ่ายไม่ดีได้ทำให้ฝ่ายไม่ดีพ่ายแพ้สามารถอบรมให้ฝ่ายดีชนะได้มากเพียงไรก็จะได้เป็นเจ้าของใจที่มีค่ามีความสงบสุขเพียงนั้นกองทัพใหญ่ทั้งสองต่อสู้กันนครสามีได้ธรรมจักสุกองทัพน้อยสังโยตสาถูกเผาพินาศสมุทยขอพักรบ ในขณะที่นครสามีเพ่งพินิษทะลุสมถ t เข้าไปพบวิปัสสนานั้นกองทัพใหญ่สังโยชน์ทั้ง10กองทัพน้อยได้เข้าโจมตีกองทัพใหญ่มร์ทันทีตามคําสั่งของสมุไทยเพื่อจะยึดภูมิประเทศที่รวมถนนสี่แพร่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งนิเวศของนครสามีอันกองทัพใหญ่มร์ยึดตั้งอยู่แต่กองทัพใหญ่มร์ได้เตรียมพร้อมอยู่แล้ว จึงต่อสู้ป้องกันชยภูมิสำคัญของเมืองไว้ได้เสียงต่อสู้กันดังเข้าไปถึงภายในนิเวศแห่งนครสามีทำให้นครสามีต้องชะ ง, งักการเพ่งพินิษ์ทูดทั้งคู่ไปเพ่งพินิษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสให้คู่อาสะวะรีบยื่นหน้าเข้ามาชักชวนให้ทิ้งทูดทั้งคู่รีบออกไปกับคู่อาสะวะโดยเร็วสมุทยกับกองทัพใหญ่สังโย์ กำลังช่วยปราบศัตรูกำลังจะชนะอยู่แล้วแต่นครสามีได้มีศรัทธาตั้งมั่นในองค์พระบรมครูแล้วและได้เห็นสมุทรไทยเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์เสียแล้วจึงไม่ยอมทิ้งทู่ทั้งคู่ออกไปกับคู่สวะแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าฝ่ายไหนจะชนะได้ระลึกถึงคู่บารมีฝ่ายคู่บารมีได้ปรากฏขึ้นทันทีและบอกว่า ฝ่ายกองทัพใหญ่มกักจะต้องป้องกันชยภูมิแห่งเมืองไว้ได้แน่นอนและจะยกออกไปทำลายกองทัพใหญ่สังโยตถึงที่ตั้งได้ด้วยคู่บา ร, รมีได้สนับสนุนอยู่เต็มที่ขอให้เบาหะไทยและอย่าทิ้งทูตทั้งคู่ดำเนินการเพ่งพินิจ ต, ต่อไปอนครสามีจึงสิ้นนิวรสิ้นกังวลเพราะเหตุสังโยตกลับมาเพ่งพินิจสมถะใหม่มองทะลุเข้าไปพบวิปัสนา จึงเพ่งพินิษวิปัสนาก็ปรากฏสจัจจทั้งสี่ขึ้นในวิปัสนาเหมือนดังกล่าวในพระพุทธศาสตร์ขณะที่สัจจทั้งสี่เริ่มปรากฏขึ้นแก่จิตธาตุแห่งนครสามีกองทัพใหญ่สังโยต์ได้พ่ายแพ้กองทัพใหญ่มรรคถอยออกไปตั้งอยู่ในที่มั่นเก่ามรรคบดีแม่ทัพใหญ่มรรคได้สั่งกองทัพใหญ่มรรคยกติดตามออกไปเพื่อทำลายล้าง เพราะถึงจังหวะที่จะต้องปฏิบัติในขั้นเด็ดขาดกองทัพใหญ่มักได้ยกออกไปประชิดกองทัพน้อยทั้ง3ของกองทัพใหญ่สังโยชตคือกองทัพน้อยสั ก, กายทิฏฐิกองทัพน้อยวิจิกิจฉากองทัพน้อยะะศีลพัตปรามาตกองทัพใหญ่มักได้ระดมโจมตีกองทัพน้อยสังโยช์ทั้งสนี้ทันทีมุ่งบทขยี้ให้แหลกลานเป็นการประเดิมชัย ขณะที่กองทัพทั้งสองฝ่ายกำลังต่อสู้กันถึงขั้นเด็ดขาดธรรมาจักสุคือดวงตาเห็นธรรมได้บังเกิดผุดขึ้นแก่นะครสามีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาในขณะเดียวกันนี้ได้ปรากฏลำแสงออกจากกองทัพใหญ่มากมีตบะอานาจยิ่งกว่าระเบิดทาลายใดๆในโลกทั้งสิ้น ่วยพุ่งไปเผากองทับน้อยสังโยชน์ทั้งสามคือส ก, กายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถืออัตตาตัวตนในสกลกายวิจิกิจฉาความลังเลเป็นเหตุไม่แน่ใจในปฏิปทาทางดำเนินของตนสีลพตปรามาตความถือศีและวัดต่างๆด้วยความปรารถนาผลมีลาภยศเป็นต้นหรือด้วยความเชื่อถือว่าศักดิ์ธิ สิ้นรากไปในชั่วขณะจิตเดียวบรรดาทุจริตและหัวโจกอันตพานวายร้ายทั้งปวงก็วอดวายไปสิ้นพร้อมกันสมุทัยกับคู่อาสวะได้สลบไลายไปครู่หนึ่งจึงฟื้นขึ้นมาแต่ก็กลับเป็นสมุทัยกับคู่อาสวะอีกคนหนึ่งซึ่งหายความร้ายกาจไปเป็นนั้นมากและขอสงบพักรบกับกองทัพใหญ่มักทันทีความจริงก็เป็นเช่นนั้นเมื่อความดีเข้มแข็งเต็มที่ ความไม่ดีก็จะพ่ายแพ้สงบเงียบไปทันทีความสำคัญอยู่ที่ว่าทุกคนควรพยายามอบรมความดีให้เจริญให้เข้มแข็งจนถึงขนาดทำให้ความไม่ดีสงบเงียบไปอย่างสิ้นเชิงแบบผู้แพ้อย่างราบคาบอาวสานแห่งจิตนครนครสามีกับคณะอพยพออกไปสู่แดนเกษมในขณะเดียวกันที่ธรรมาจาักสูบังเกิดผุดขึ้นแก่นครสามี และกองทัพน้อยสังโยช์ทั้งสาถูกเผาทำลายไปหมดสิ้นนั้นองค์พระบรมครูเจ้าได้ปรากฏพระธรรมกายขึ้นแก่ธรรมจักสุของนครสามีพระองค์ได้เสด็จมาสู่จิตนครในขณะเดียวกันนั้นองค์พระบรมครูได้เสด็จมาตามสัจพน์ที่ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานครสามีผู้ได้ธรรมจักสุ จึงได้เห็นองค์พระบรมครูโดยพระธรรมกายสมเจตนาที่มีมาช้านานได้ถวายบังคมพระยุคลบาทด้วยธรรมปีติยิ่งนะักและได้สดับพระพุทธพยากรณ์ว่าสาวกของเราฟูละสังโยชน์ได้สามเป็นสมุดเฉทพหารคือ้านได้เด็ดขาดยอมเป็นโสดาบันคือผู้ถึงกระแสธรรมแล้วเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นผู้แน่นอน จะได้ตรัสรู้ในเวลาต่อไปอีกเจชาติเป็นอย่างช้าครั้นทรงพุทธบยาก่อนแล้วก็ได้เสด็จกลับคู่บา ร, รมีได้เข้ามาแสดงมุทิตาจิตทันทีและบอกว่าบัดนี้นครสามีเป็นผู้พ้นอบัยภูมิทั้งปวงแล้วมีอาพรพิเศษประดับองค์อยู่4อย่างนะครสามีจึงตรวจ ด, ดูที่องค์เองก็พบอาพรพิเศษสอย่างประดับอยู่จริงคือ 1. ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า 2. ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์และ 4. ศีลที่พระอริยะปรารถนาคือศีลห้าที่บริสุทธิ์เกิดโดยสมุดเฉ ท, ทเวีรัตคืองดเว้นโดยเด็ดขาดด้วยมักคู่บารมีได้บอกว่าอาภรณ์พิเศษนี้เรียกว่าโสดาปฏิยังคะ คือองค์แห่งความถึงกระแสธรรมทั้งสขณะนั้นภูเขาเมึมาที่สูงจรดฟ้าซึ่งวงล้อมจิตนครได้กลิ้งเข้ามาประชิดปราการทุกด้านแห่งจิตนครแล้วความแปรปรวนภายในจิตนครได้เกิดขึ้นถึงขนาดที่สุดถนนสี่สายชำรุดขนาดหนักระบบสื่อสารทั้งปวงขัดข้องโรงงานทุกโรงชำรุดบางโรงเกือบใช้งานไม่ได้ ระบบต่างๆพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งปวงพลอยเก่าแก่แชร์เชือนขัดข้องไม่สะดวกไปทั้งหมดเป็นอันแน่ว่าจินตนครจะต้องถูกบททําลายลงไปพร้อมกับความแตกทําลายทุกอย่างภายในนครสามีจำจะต้องทิ้งเมืองไปสู่ภูมิอื่นเพื่อสร้างนครขึ้นใหม่ถ้าเป็นเวลาก่อนแต่ที่จะได้ทํามจักษุคือปราศจากบุญกิริยาก็ยากที่จะออกไปได้ เพราะดูไม่มีทางจะออกไปได้อย่างไรภูเขาสูงชันจรดฟ้าล้อมกระชับแน่นทั้งสี่ทิศโดยรอบไม่มีช่องที่จะเล็ดลอดออกไปได้แม้แต่น้อยก็จะต้องถูกบดขยี้อยู่ภายใต้เขาหินแน่แท้แต่เมื่อนครสามีได้ธรรมาจากักรสุแล้วก็มีทางอพยพยออกไปได้โดยสวัสดีขนาดนั้นคู่บา ร, รมีกับปุญกิริยาและชาวเมืองผู้ติดตาม ได้เตรียมการอพยพใหญ่เพราะจะมีทั้งกองทัพใหญ่มกักทั้งคู่อาสวะกับกองทัพใหญ่สังโยชน์ที่เหลือซึ่งแบบนี้เล็กลงพร้อมทั้งสมุทรไทยซึ่งได้กลับเรียบร้อยขึ้นเปน็นอันมากอพยพติดตามนครสามีไปด้วยเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นอันพักรบกันไว้ชั่วคราวและตกลงจะอพยพไปพร้อมกันในเวลาอันคับขันที่สุดนี้ ระบบต่างๆของเมืองจำต้องยุบตัวเองลงเหลือ3ามคือระบบวจีสังขารคือปรุงแต่งวาจาให้พูดคือวิตกวิจารความตรึกตรองที่จะพูดระบบกายสังขารคือปรุงแต่งกายคือลมหายใจเข้าออกระบบจิตสังขารคือปรุงแต่งจิตคือสัญญาเวทนาหรือระบบสมองการละกิริยาแห่งจิตนครได้มาถึงแล้ว เมื่อภูเขาวงรอบนั้นได้กลิ้งบทขยี้ปราการเมืองเข้ามาทาลายทุกๆอย่างไปโดยลําดับกล่าวเฉพาะที่ย่อเป็น3มระบบคือทำลายระบบวัีสังขารดับวิตกวิจารที่จะพูดลงก่อนแล้วทำลายกายสังขารดับจมลงนครสามียังไม่อบพยบครั้นแล้วทำลายระบบจิตสังขารดับสัญญาเวทนาหรือระบบสมองชั้นใน ลงเป็นที่สุดนครสามีกับคณะได้อพยพออกจากจิตตนครทันทีโดยเคลื่อนออกไปเหนือภูเขาที่กลิ้งประชิดเข้ามาประสานเป็นหินแท่งเดียวกันทับขยี้จิตตนครทำลายลงหมดสิน้นจิตตนครจึงถึงกาลาอวสารนครสามีกับคณะอพยพไปสู่แดนเกษมสวัสดีแล้วแลพรส่งท้ายจิตตนครได้ถึงกาลอาวสารลงแล้ว แต่นครสามีกับคณะผู้ติดตามได้อพยพออกไปสู่แดนเกษมสวัสดีได้โดยได้เคลื่อนขึ้นเหนือภูเขาแห่งชาราและมรณะออกไปสู่สุขติคือกติที่ดีจึงไม่ถูกภูเขาบทโลกนั้นบทขยี้อยู่ภายใต้ให้จมลงไปสู่ทุกติด้วยอนุภาพแห่งบุญกิญริยาไตรสารนะคมและโดยเฉพาะโสตาปฏิยังคะทั้งสี่ อันเป็นอาพรพิเศษแห่งนครสามีที่ได้มาพร้อมกับธรรมจักสุขเรื่องจิตนครจึงเป็นอันถึงอวสานความคิดผูกเรื่องนี้ขึ้นได้เกิดจากพระพุทธภาษิตในธรรมบทข้อหนึ่งว่าพึงกั้นจิตอันมีอุปมาด้วยนครอันที่จริงความหมายแห่งพระธรรมข้อนี้น่าจะมีเพียงว่าพึงกั้นคือทําเครื่องป้องกันนครจากฆ่าศึกฉันใด กระพึงกั้นจิตจากฆ่าศึกคือกิเลสมารฉะ น, นั้นแต่ก็ยังชวนให้คิดวางโครงเล่าเรื่องจิตนครโดยอุปมาคือคิดขยายอุปมานั้นออกไปเป็นเรื่องจิตนครขึ้นทางได้อาศัยพระพุทธภาษิตในสลายตนะวัตรสังยุตตนิกายอีกแห่งหนึ่งที่ผููอุปมาถึงนครชายแดนแห่งหนึ่งมีปราการและเสารเรียอันมั่นคงมีวารหก มีนายทวารบาลเป็นผู้ฉลาดห้ามคนที่ไม่รู้จักมิให้เข้าไปอนุญาตให้แต่คนที่รู้จักเข้าไปได้มีทูต ด, ด่วนคู่หนึ่งมาจากทิศทั้งสี่ถามนายทวารบาล น, นั้นว่านครสามีคือเจ้าแห่งนครนี้นั่งอยู่ที่ไหนนายทวารบาลตอบว่านครสามีนั่งอยู่ที่ทางสีแพร่งกลางเมือง ทูดด่วนคู่นั้นจึงมอบยถาภูตะพน์คือคำตอบตามที่เป็นจริงแก่นครสามีปฏิบัติตามมัคคือทางที่มาแล้วและได้มีพระพุทธภาษิตไขความไว้ต่อไปว่านครเป็นชื่อของกายนี้คำว่าทวานหกเป็นชื่อของอายตนะภายในหกคำว่านายทวรบาลเป็นชื่อของสติคำว่าคู่แห่งทูดด่วน เป็นชื่อแห่งสมถะและวิปัสนาคำว่านครสามีเป็นชื่อแห่งมหาภูตตะคือาธาตุทั้งสี่คำว่ายะถาภูตพ์คือคำตามที่เป็นจริงเป็นชื่อแห่งนิพานคำว่ามัคตามที่มาแล้วเป็นชื่อแห่งมัคมีองแปดเรื่องจิตนครจึงได้ถูกผูกขึ้นตามโครงอุปมาดังกล่าว บรรจุทำทั้งปวงลงโดยปุลาธิฐานและแสดงออกมาตามจังหวะของเรื่องตั้งแต่ต้นจนอวสานมีความประสงค์เพื่อจะชักจูงใจผู้ประสงค์ทำในรูปและรสที่แปลกมาฟังมาอ่านแล้วไขความทำน้อมเข้ามาสู่ตนเพราะเรื่องจิตนครทั้งหมดก็เป็นเรื่องกายและจิตนี้เองและทุกคนจะต้องพบภูเขาแห่งชราและมรณะที่กลิ่งมาบทชีวิต ฉะนั้นชะไหนจะไม่แสวงหาที่พึ่งดังเช่นนครสามีในเรื่องและฉะไหนจึงจะยอมอยู่ใต้ให้ภูเขาแห่งชราและมรณะนั้นมาบทขยี้เอาข้างเดียวฉะไหนจึงไม่ปีนขึ้นอยู่เหนือภูเขาแห่งชราและมรณะนั้นบ้างพระพุทธศาสตร์ได้บอกวิธีปฏิบัติเพื่อขึ้นอยู่เหนือไว้แล้วเมื่อเพ่งพินิษเรื่องจิตนครจนถึงอวาสาน จะพบวิธีปฏิบัติอยู่เหนือสมุทรไทยกับพักพวกตลอดถึงภูเขาแห่งชาราและมัจจุดดังกล่าวทุกอย่างเรื่องจิตนครจึงอาจเป็นประโยชน์แก่ผู้จำงและค้นหาประโยชน์ได้ตามสมควรและบางประการอาจจะรู้สึกว่าเป็นบุคลาทิ่ฐานจัดไปบ้างเช่นเรื่องพระบรมครูยังประทับอยู่และเสด็จมาโปรดนครสามีในขณะมัคจิตผลจิต แต่ก็ผูกขึ้นให้เห็นจริงตามพระพุทธดำรสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราซึ่งตรัสเป็นทำนองบุคลาทิฐานจึงผูกเป็นบุคคลขึ้นให้เห็นได้คิดว่าเหมือนอย่างการสร้างพระพุทธรูปขึ้นไว้บูชาก็แล้วกันเพราะว่าคนทั่วไปอยากเห็นเหมือนอย่างเห็นด้วยตาเมื่อทาให้เห็นดังนั้นได้ก็จะซาบซึ้งเข้าไปถึงใจได้ดีกว่าแสดงเป็นนามธรรมล้วน เรื่องจิตนคร